เดินทางมาหลายวันเป็นยังไงกันบ้างกายกายเป็นยังไงมีไม่สบายกันไหมพอได้เนาะพอได้อาจจะมีเมื่อยล้าบ้างเนาะมีปวดเมื่อยบ้างในตอนเดินหรือว่าร่างกายอาจจะไม่สบายนิดนิดหน่อยเนาะแต่ก็ แต่ยิ่งเดินกับยิ่งแข็งแรงขึ้นะยิ่งเดินยิ่งได้ออกกำลังกายมากขึ้นแม้ตอนเดินตอนที่ใช้แรงมันกลายเลาบ้างแต่พอพักผ่อนสักพักมันก็หายเหมือนเราตอนตื่นเช้าขึ้นมาตอนวันแรกๆนะที่เราเดินตั้งแต่ธรรมญาตาตอนตื่นเช้ามันหนักอ่เป๊ะแบกหนักยานะ ตืนเช้าตอนแรกก็อาจจะรู้สึกเออมันเหนื่อยมันลาแต่พอเราแบบทุกวันเดินทุกวันอวันหลังๆก็สบายตื่นสบายหรือว่าความปวดเมื่อยมันก็มันก็สบายมากขึ้นไม่หนักมากคิดถึงตอนเวลาเราเคยขึ้นปูกระดึงไว้นะแต่ เ, เราขึ้นปูกระดึงครั้งแรกครั้ที่สองเราก็รู้สึกเออมันก็ มันก็หนักนะครั้งแรกแต่ครั้งที่สองไม่หนักเท่าไหร่เหมือนโดมสักคานก็เหมือนกันนะครั้งแรกรู้สึกหนักครั้งที่สอง้็สบายไม่หนักเท่าไหร่อาจจะเป็นความเคยชินที่เราเคยทําหรือว่าเรารู้ว่ามันจะเดินไกลขนาดไหนนะการเดินทางมันก็เลยไม่หนักเท่าไหร่อาจจะเหมือนคล้ายๆพวกลูกหากที่หักของขึ้นปูกระดึงนะบางทีเขาก็หัก หักของขึ้นหักของลงวันละรอบหนึ่งบ้างสองรอบบ้างนะเขาก็ทำกันทุกวันมันก็สบายสบายนะไม่ถึงก็อาจจะไม่สบายหแตกมันก็หนักแต่พอมันจับจังหวะการเดินได้จับจังหวะการหายใจได้นะรู้ร่องทางที่จะเดินได้นะมันก็ทําให้การเดินทางมแม้จะหนักไม่จะเหนื่อยบ้างแต่มันก็ทุเราไม่ไม่ถึงครับ หนักหนาสาหัสกนะ็แค่หนักแต่กายแต่ใจก็ก็เรียกว่า อ, อพอสู้ได้นะอาจจะเหนื่อยแค่กายแต่ใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดูว่าเป็นงานที่ต้องทําคิดว่าการในทางของพวกเราก็ก็คงเช่นเดียวกันก็หลายคนก็คงจะเริ่มออจับจังหวะการเดินของตัวเองได้ว่าเดินแบบไหนถึงใจไม่เหนื่อยหรือว่า เวลาขึ้นเขาขึ้นแบบไหนถึงจะเหนื่อยน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่เหนื่อยเลยเนี่ยจังหวะไหนควรจะสปีดจังหวะไหนควรที่จะเออช้าๆลงจังหวะไหนที่จะดูลมหายใจจังหวะไหนที่จะดูการข้าวยางหรือจังหวะไหนเก็ปก็ไปให้สบายๆเรียนรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจอย่างของตัวเองถ้าเวลาเดินก็ก็จะ เดารู้สุนการเดินเป็นหลักรู้สึนการมันก็รู้สึกทั้งตัวที่กาลังเคลื่อนไหวนั่นแหละนะกายมันกำลังเดินแบบไหนก็ก็รู้ไปแบบแบบนั้นบางทีอาจจะเด่นที่ตอนเท้าสัมผัสพื้นบ้างเด่นที่พันก้าวย่างล่ามแต่วันแรกๆสองวันได้ที่ถอดถอดรองเท้าเดินนี่มันเด่นมากตรงที่เท้าสัมผัสพื้ น, นมันเด่นถึงความเจ็บนที่เท้าสัมผัสนะ เพราะว่าเท้าเป็นแผลนิดหน่อยเวลาสัมผัสเนี่มันก็มัมนต้องมีทั้งสติและก็ความอดทนเข้าไปด้วยแต่พอใส่รองเท้าเดิน้วก็ความอดทนไม่ต้องใช้มากใช้แค่สติคอยตามรู้ถึงการเดินเวียนหลักนะแต่บางทีพอขึ้นเขานะพอเราแบกสัมภาระหลายอย่างเออล้วก็ลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนเป็นกําหนดแทนที่จะเอาตัว การเดินเป็นหลักเรา ล, ลมหายใจเป็นหลักอืออาลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานหลักจิตก็อยู่กับลมหายใจคอยตามรู้ดูลมหายใจที่เข้าที่ออกมันก็ไม่สม่ำเสมอพอเวลากายมันอาจจะเดินเดินเหนื่อยลมหายใจอาจจะติดบ้างอาจจะแบบดูหอบๆบ้างแต่พอเราดูไปสักพักจิตใจเราเป็นปกติลมหายใจมันก็ มันก็กลับมาเป็นคล้ายๆมันก็จะปรับสมดุลของมันคล้ายๆพอลมหายใจมันปรับสมดุลร่างกายมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหรนะ่ไม่จะเดินขึ้นเขายาวๆหรือไกลๆแต่พอเราดูลมหายใจเป็นตัวหลักร่างกายมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเหนื่อยะแต่ก็ไม่ใช่เห็นแต่กายไม่ใช่เห็นแต่ลมหายใจนะบางทีก็เห็นลมหายใจแล้วก็สับกับการเห็นกายที่เคลื่อนที่เดินนะ่ะ มันก็จะเห็นกายที่เดินเนี่ยแหละเป็นอันดับที่สองที่มันเด่นชัดขึ้นมาเป็นอันดับที่สองถึงตัวที่สามที่จะเห็นเด่นชัดขึ้นมาอีกก็คือเรื่องของความคิดหรือจิตใจบางทีก็มีแทรกเข้ามาระดับมาให้เราเห็นบ้างเออแล้วมันก็เห็นเออสามตัวเนี่ยเป็นอักขักเลยเวลาเราขึ้นเขาแต่เวลาไม่ได้ขึ้นเขาก็ไม่ได้เอากําหนดลมหายใจก็ทิ้งลมหายใจไปเลยมันก็เห็นแค่สองตัวคือการเดิน ในแต่ละครั้งที่เดินรู้ชัดทั้งตัวที่กำลังเคลื่อนบ้างรู้ชัดเฉพาะบางส่วนที่มันที่มันเด่นที่มันเคลื่อนบ้างแล้วก็สลับกับรู้ถึงความคิดความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นกับจิตนะหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตก็คอยสลับแบบนี้ไปบ้างบางทีอาจจะหลมไปคิดหลมไปดูข้างนอกบ้างแล้วพอเรารู้ทันมันก็กลับมา อยู่กับเนือกับตัวบ้างอันเนี้ยอันนี้ก็ถ้าเราลองเรียนรู้ดูนะักอาศัยระยะทางในการเดินตั้งนี้แหละเนะี่ยเราก็คงไม่ได้เดินเอากําหนดว่าจะเดินมากน้อยหรือว่าไกลเท่าไหร่แต่ขอให้เราได้พยายามใส่ใจอยู่กับการเดินอยู่กับการหรือบางทีอาจจะดูลมหายใจหรือบางทีอาจจะดูให้รู้ทันจิตใจของเรา เราก็จะเห็นอารมณ์ที่เป็นเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงหลายหลายอย่างนในกายในใจนี้นก็เห็นก็ดูศึกษาเข้าไปศึกษาเหมือนกับเขาไม่ใช่เราอ่ะที่จริงเขาก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วเราก็เพียงแค่อาศัยกายนี้อาศัยใจนี้นเพื่อเป็นการเดินทางให้เขาถึงปัญญาเพื่อให้เขาถึงธรรมชาติที่แท้จริง <นะ S 1> แล้วก็ใส่การเดินทางนี้แล้วก็คอยดู ดูตรงนี้ไปด้วยนะการเดินพื้นดงของเราก็จะไม่ไม่แพ้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฝึกความอดทนอดกั้นนะหรือว่าการที่ได้สะสมนะเหมือนสะสมกิโลเมตรสะสมไมในการเดินได้ไกลเท่าไหร่ในแต่ละวันหรือว่าอนะได้เดินกี่ครั้งแล้วเนี่ยก็คงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องตอนนัน้นเป็นเป้าหมายของการเดินทางของเรานะ แต่การเดินทางของเราคือก็เดินแล้วก็คอยศึกษาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างตอนเราเป็นเด็กเด็กเคยได้อ่านหนังสือหลงปู่วแหวนท่านบวรณภาพก็มีญาติพวกปู่ญาติตายายเขาก็ไปงานศพหลวงปู่วแหวนกันก็เอาหนังสืออันสอนงานศพหลวงปู่วแหวนมากลับมาที่บ้านะ ก็าวางไว้ที่หัวนอนเราพอเราเริ่มอ่านหนังสือได้แล้วก็ลองอ่านดูลองอ่านดูท่านปฐมเสด็จเป็นคนก็อ่านดูเห็นประวัติกูบายอาจารย์ที่เดินตัวตรงแล้วเออเข้าป่าเข้าเข า, ขาแล้วก็ท่านก็มีอิทธิฤทธิบ้างเนะข้าใจธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้บ้างล้วก็จําเป็นภาพฝังใจไว้เออกูบายอาจารย์ท่านเดินตัวตรในเองท่านถึง ได้มีอิทธิฤทธิ์หรือได้มีธรรมะเกิดขึ้นกับจิตกับใจของท่านหรือเราอาจจะเคยอ่านหนังสือครูบาอาจารย์ในสายวัดป่าท่านก็ทําเป็นแบบนี้นเป็นแบบจําำหรือโดยส่วนตัวเองก็มีลุงที่เป็นลูกของพี่ชายของยายท่านก็เคยท่านก็บวชเป็นพระตอนนี้ก็ยังบวชอยู่ท่านก็เคยเดินทูดงมาเยี่ยมมาเยี่ยม โยมยายเนระียบโยมยาย อ, อพาเด็กพาเนนกระเดี่ยมมาด้วยพาหมามาด้วยนะต่ก็เรานั่นโน่านี่นะไปเทิดดงใปนป่าในเขาเป็นแบบไหน เ, ออเราก็เป็นภาพฝังใจแล้วเออภาพประทับใจว่าพระปฏิบัตินี้ต้องต้องเดินเทิดดงนะต้องเดินเทิดดงเพื่อให้ให้เข้าใจธรรมะหรือว่าเพื่อฝึกขัดขัดเก่าจิตใจ แต่พอตอันดังเออที่จริงพอเราความเข้าใจของเราการทุดมงแบบนั้นก็ถูกอยู่เป็นการขัดเก่าจิตใจเป็นการฝึกฝนตนแต่ที่จริงเนื้อหาที่แท้จริงมันต้องเป็นเรื่องของภายในเป็นเรื่องของการมีสติสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาหรือเปล่าในการฝึกหัดจิตใจตรงนั้นคงไม่ใช่เพียงแค่การว่าไสเข้าป่ากี่ป่าแล้วนะได้ไปอยู่กี่ถ้าแล้วนะได้เดินทางไกลสักเท่าไหร่นะ แต่น่าจะเป็นเรื่องของการที่ขณะที่เราเดินนราิีสติหรือเปล่าขณนะที่เราอยู่ในถ้าหรืออยู่ในที่พักเราได้เจอสติได้เจอสมาธิหรือเปล่านะเรียนรู้จากความกลัวที่มันเกิดขึ้นในะจิตใจไม่เวลาอยู่คนเดียวเรียนรู้จากความเปล่าเปลี่ยวหรือเปล่าเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวนานๆเรียนรู้จากความเหนื่อย เมือม่อยเมื่อยล้าหรือว่าความท้อไหมเวลาต้องเดินไกลเวลาที่กายมันมันไม่สบายหรือกายมันล้าเราเรียนรู้จักใจเรากายมันล้าใจเราล้าไม่เรียนรู้จากตรงนั้นหรือเปล่าหรือมันมีความกลัวเกิดขึ้นแก้ความกลั ว, วแบบไห น, นหรือมันเจออุปสรรคมันมันอยู่กับมันแบบไห น, นหรือบางวันปิญธบบาบไม่ค่อยได้อาหาร เราเรียนรู้ใจของเราไหมอย่างเมื่อวานทั่วใหญ่เราก็บินธำบาดได้แต่ข้าวเหนียวเนปะ็นมาม่าบ้างขับข้าวอย่างอื่นไม่ค่อยมีบ้างเราเห็นไหมใจเรามันคิดแบบไหนบินไปอยากจะได้กับข้าวไหมนะบินไปคิดไปไม่ว่าเอยจะมีอะไรฉันไหนะก็เรียนรู้หนูหรือเวลาฉันแล้วรู้สึกแบบไหนเวลาฉันข้าวเหนียวเป็นหลักนะ มีอะไรจิ้มๆนิดๆหน่อยๆเรารู้สึกว่าเออมันเป็นไปเพีเพื่อความดำรงอยู่ได้เห็นกายนี้จริงๆหรือเปล่าเราก็สังเกตววนะเวลาเราชันแบบนั้นแล้วก็เราได้รสชาติของรสมันมันเด่นชัดขึ้นข้าวเหนียวก็มีความหวานก็มีความมั น, นก็มีความเรียกว่าความอร่อยของมันอยู่ในนั้ น, นกับข้าวนี้หน่อยที่เราจิ้มลงไปมันก็เรียกว่า มันก็เห็นรสชาติของมันเด่นขึ้นมาเลยแต่พอเรามีกับข้าวหลายๆอย่างรวมกันบางทีรสชาติมันมั่วขึ้นหมดเลยไม่รู้ว่ารสอะไรเป็นรสอะไรนะแต่พอเราฉันของไม่มากมันก็ทําให้ความรู้สึกตัวมันชัดขึ้นมามันก็มันก็เป็นการสังเกตนะเป็นการสังเกตไม่ใช่ว่าถูกหรือผิดแต่เราก็สังเกตเห็นปฏิกิริยาของกายที่มันรับรส เห็นปฏิกิริยาของใจที่มันรู้สึกกับรสชาติบ้างนะหรือว่าเห็นปฏิกิริยาของใจที่มันมีความอยากเนะหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ความไม่เคยชินที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้มันก็ใจมันก็รู้สึกทวงถา ม, ถ, าม ถ, ถึงรสชาติกอบเก่าบ้างทวงถามถึงความอยากที่เคยอยากบ้างนะถึงทวงถามถึงอารมณ์ที่เคยสัมผัสบ้างแล้วก็สังเกตดูมันก็สนุกดี อันนี้น่าจะเป็นรสชาติของการเดินเดินทุ ด, ดมนะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงที่ที่เราไม่สามารถซื้อหาได้อย่างหนึง่งแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงที่เราไม่สามารถจัดสรรได้มันเป็นประสบการณ์ที่ธรรมชาติเขาจัดสรรสิ่งเว้ร้อนเขาจัดสรรเราเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาลองเรียนรู้ศึกษาดูใน ในส่วนที่ธรรมชาติเขาจัดสัรดูเขาจะจัดสรรให้เราเจอประสบการณ์แบบไหนเราก็เปิดใจพร้อมที่จะยอมรับประสบการณ์ตรงนั้นนะทางอาจจะขึ้นเขาไม่รู้สักกี่กิโลเมตรเออก็เปิดใจเรียนรู้ที่จะเดินขึ้นเขาแบบนั้นแดดจะร้อนขนาดไหนก็เปิดใจในการที่อยู่กับแดดร้อนขนาดนั้นอากาศจะหนาขนาดไหนก็เปิดใจในการที่อยู่กับอากาศเช่นนั้น อาหารการกินจะมีมากมีน้อยขนาไหนเราก็เปิดใจในการอยู่แล้วก็เรียนรู้เนกะับประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยถ้าใจเราเปิดเนะเราจะเห็ น, หนว่าที่จริงทุ ก, ทกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาสอนธรรมะของเราทั้งนั้นเลยนะสอนให้เราเห็นใจตัวเองนี่แหละเป็นหะลักถ้าเราไม่ไม่กลับมาดูใจของเรานะเราจะเสียประโยชน์จากการที่ได้มีประสบการณ์ตรงๆพวกนี้เพราะว่าแต่ถ้าเรากลับมาเห็นใจของเรา มันก็จะสนุกมากเนยสนุกในการเห็นใจนี่ยสนุกในการเห็นจิตที่มันดิ้นรนปรุงแต่งที่มันคิดนั่นคิดนี่นหรือสนุกในการรู้ทันความอยากแล้วก็ไม่สนองความอยากนะมันเป็นเรื่องของความสนุกนะความอยากพวกเราก็คงมีกันทุกคนนั่นแหละนความอยากที่เรียกว่าตัณหามันก็มีกันทุกคนน่แต่ินว่าพอเราเห็นมันรู้ทันมัน ไม่ทําตามมันมันรู้สึกสนุกสนุกที่ได้ขัดใจกิเลสสนุกที่ได้ขัดใจตัณหาไม่ทําตามมันมันก็เป็นความอยากของเออมันเป็นมันเป็นความสนุกของรสชาติของการการภาวนาเนาะเราก็ลองเรียนรู้ดูพวกเนี้ยดูแบบสนุกสนุกดูไปอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าย่อหย่อนตามใจมันแต่ให้พอเรารู้ทันถึงความทุกข์ ความบีบพันที่เกิดขึ้นกับใจเนื่องด้วยมีความอยากมีตัณหาแมลงผักดันแล้วก็เออเออมันเป็นความอยากเนาะไม่ทําตามมันนะมันอยากจะอมันอยากจะอะไรก็แล้วแต่ก็ก็ดูเราก็รู้ทันมันแล้วก็ไม่ทําตามมันะแต่ถ้าเป็นเรื่องของกายที่มันต้องการภากต้องการบําบัดบรรเทาก็ต้องช่วยมันนะไม่ใช่ว่า จะไปอดไปกั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของที่เราต้องปรับตัวปรับใจในการเรียนรู้อยู่กับมันเนาะระยะทางในการเดินก็ก็จะเป็นตัวทำให้เราได้จะเดินงอกงามในธรรมมากขึ้นนะเพราะว่าเราดูดูกายดูใจของเรานะไม่ใช่เพียงแค่ทำให้กายมันเข้มแข็งแข็งแรงอดทนมากขึ้นเท่านั้น แต่มันจะเป็นตัวส่งเสริมทํำให้จิตใจของเราได้เกิดความเข้มแข็งนะมีภูมิต้านทานภายในต่อไปอาจจะเจอความทุกข์เจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่หวั่นไหวนะกับความทุกข์กับปัญหาอุปสรรคเพราะว่าเราได้มีภูมิต้านทานในการได้เรียนรู้จักกายแล้วก็ใจของเราแล้วนะเมื่อเรารู้จักตรงนี้แล้วภูมิต้านทานนี้ก็จะช่วยให้เราอยู่อย่างเป็นปกติสุขนะ ความทุกข์ก็อาจจะจรมาแต่ทำอะไรไม่ได้นะมันก็เข้ามาชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปพอเราเห็นนะเออมันก็เป็นแบบนี้ในเองเหมือนกับความร้อนความเหนื่อยมันก็มาชั่วคราวถ้าพักมันก็หายไปนะความหิวมันก็มาชั่วคราวถ้าพักก็หายไปไม่มีอะไรที่อยู่ตลอดไปหรอกนะมันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะเป็นแบบนี้ทุกอารมณ์นะ จะเป็นเรื่องของกายจะเป็นเรื่องของใจก็เช่นเดียวกัน ก, ก็ฝากพวกเราให้เป็นแง่คิดแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติต่อไป